เรียนคำปวารณาออกัาษาปวารณาออกัาษามันต้องได้ท่องต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับผู้หัวไม่ดีความจำไม่ดีแต่ถ้าความจำดีก็ไม่มีปัญหาต่องวันเพียงวันสองสาวันก็ได้แล้วแล้วก็กระถินผู้ที่จะฝึกซ้อมกถินก็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 ผู้ที่มาตามหลังเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นลูกคุณจุดท้องจะได้เฉลียวฉลาดเหมือนกับลูกคนหัวปีก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าลูกคนหัวปีไม่เอาทานทะเลทไหลเงืง้เง่าง่าม ง, งุ่มง่ามงามเออมันก็สูขลูกที่คนมาจุดท้องไม่ได้เหมือนกันนะ เ, ะเหตุไรเพราะมันไม่เอาทานเพราะมันเซ่อ เพิอยังเป็นปั่มปัมเพิเ่ออีกต่างหากสิ่งเหล่านี้มันต้องพวกท่านทั้งหลายมันต้องได้คิดอันนี้เป็นคำพูดขององค์หลวงตาอางค์หลวงตามหาบัวบอกว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อนเหมือนลูกคนหัวปีแต่ผู้ที่ตามหลังเข้ามาในเรื่อย ก, ก็เป็นเรียงลำดับกันลงไป ผู้ที่เข้ามาก่อนก็ต้องรู้ เ, เรียนรู้เรีง่งเรยงสาภาวะบ ว, วรปฏิบัติอย่างไรเพราะครูบาอาจารย์เจ้าของวัดหรือพ่อเหมือนกับพ่อของเป็นอาจารย์เหมือนกับพ่ อ, อในครอบครัวลูกทั้งหลายก็ต้องมาเข้ามาก็เรียนเพื่อการศึกษา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 เสียงเหล่านี้มันอาจารย์เขาว่าอาจารย์นะคํำนีนะ่มองรอบด้านขนาดโปรธิรัตไปเรียนกับเนนน้อยอาจารย์พระเถร락เออเอาไล่ลงไปบอกเออผมออไม่มีความสามารถในะองค์นั้นองค์รองนะท่านมีความสามารถกว่าโอ้แล้วก็ครับท่านอาจารย์สอนผมโอ้ผมไม่เก่งเท่าองค์ที่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 พระ30มสิบลูกอยู่ในปา่านั่นตั้งแต่หัวหน้าจนถึงสมมามเณรเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นผู้มีแตกฉานในวิชาปฏิสัมพิทายาณด้วยกันทั้งหมดทั้งสามสิบองค์ตั้งแต่อาจารย์จงถึงเนนน้อยอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นก็บอกลงไปบอกลงไปจนถึงเนนน้อยเนนน้อยไม่รู้จะเท้งไปที่ไหนพอมาถึงสุดท้ายแล้วเนนน้อยก็บอกว่าอาจารย์จะฟังผมหรือเปล่าถ้าผมสอนพระผมบอกฟัง เนีผมมาเพื่อการศึกษาแท้ๆถ้าหางวายนั่นก็เอาถ้าหางวายจะฟังผมป่ะเดินตามหลังผมเนียนน้อยพอเดินเข้าไปไปครึ่งครึ่งทางไปอาจารย์เดินเข้าป่าเนี่ยแต่ถ้าว่ามีทิฏฐินะเอาเนนจะให้เราเดินเข้าป่าทําไมมีเหตุผลอะไระมีเหตุผลอะไรจึงให้เดินเข้าป่าะ ไปอาจารย์เดินเข้าป่าอาจารย์เดินก็เดินเข้าป่าเลยเอยโดยไม่ต้องฟังว่าเหตุผลอะไรเดินเข้าป่าเดินสอบสอบเออไม่ต้องอาจารย์ออกมาอาจารย์ก็เดินออกมาพอไปเห็นสระน้ําติ่มทางในทางเดินไปอาจารย์ลงน้ําอ่ำไม่ต้องผ้าสังขารติจีวรไม่ต้องเอาออกคุมไปงั้นพอจะลงไปผ้าจะเปียกอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาพอพอพอ อาจารย์ก็ขึ้นมาเนน้อยก็บอกอืออาจารย์เนี่ยเราจะสอนเนี่ยคงฟังหมดทุกอย่างขนาดเราบอกให้เข้าป่าก็เข้าบอกให้ลงน้ำก็ลงอทั้งที่ท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่แต่เนน้อยเนน้อยเป็นคนจะสอนเนเสร็จแล้วพอเสร็จปะอาจารย์ตามหลังผมมา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 มันจะโผล่ออกมาหากินในรูของมันเนี่ยตามที่รูมันมีอยู่6กรูนั่นเดี๋ยวก็ออกไปรูนั้นหากินออกอูออ่ออกรูนี้หากินเหี้ย er, ตัวนี้มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในจอมปลวกนี่แหละแต่ถ้าอาจารย์อยากจะจับเฮี้ยตัวนี้น่ะจับตัวเงินตัวทองน่ะอาจารย์ต้องปิดรูซะก่อนอปิด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 นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าออกดูดูใจคนละ้ายกับสมณีนอบอกว่าจอมปลวกนั้นมันมีอยู่ห้าหรูน่ต า, เ, าเป็นทางเหี้ยออกหากินมั น, เ ป, นเป็นหน้าต่างของเหี้ยออกหากินคือรูหนึ่ง หูคือทางเหี้ยออกหากินจมกูกทางเหี้ยออกหากินลเลนเาปากเป็นทางเหี้ยออกหากินสัมผัสเป็นทางเหี้ยออกหากินและกระใจตัวนึกคิดเนี่ยคือรูดับดูดักของมันแหะนั่นแหละอารมณ์ทางใจเนี่ยมันไปเห็นรูปพอใจไม่พอใจ ดีใจถ้าหางวาร้องรำทำเพลงเป็นที่พอใจเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆก็ดีใจกิเลสลาค้าออกไปแล้วถ้ามองไปเห็นขี้ลายขี้เลยังกําหมัดกํามวยท้าตีท้าต่อยอีกต่างหากตาไปเห็นโมโหขึ้นมา อันนั้นแปลว่าเฮ่อออกไปหากินเออมันส่งเข้ามาทางตาโมโหออกมาไม่พอใจฮเกิดอารมณ์โกรธนี่แหละเมื่อตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์รักเกิดอารมณ์โกรธ ถ, ถ้าเห็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรเป็นอัปยาคตาเป็น ก, กลางๆลาก็ไม่เกิดอารมณ์อะไรพอเห็นผ่านไปก็ผ่านไปแต่เสเห็นที่สิ่งที่พอใจเหนสิ่งที่ไม่พอใจมันอารมณ์มันบ่งบอก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 อันนี้คือตัวเฮ้ยคือใจของเราอยู่ข้างในเนี่ยตัวที่รับรู้เรื่องต่างๆ น, นตัวนั้นแหละเป็นตัวการสาคัญให้จัดการให้จับตัวนั้นให้ได้สมณเ น, นบอกในความหมายพระเทระท่านก็ดูเยดูตัวเฮือคือใจของเราเนี่ยมันโผล่ออกทางตาโผล่ออกทางหูโผล่ออกทางจมูกโผล่ออกทางลิ้นโผล่ออกทางกาย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 ท่านมองเห็นว่ า, าโปเทลัสกำลังตรลุมบอลขนาดหนักพระพุธองค์ส่ง อ, อำนาจจิตส่งกระแสจิตมาสอนทางกระแสจิตเออโปเิลัสดูให้ดีเอาชนะให้ได้พระพุองค์ก็เทศแนวอริยาาสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากโผล่โปเิลัสท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระหันในขณะนั้นแหละพอได้สาเร็จแล้วก็ ลาพระเถระเลยก็เสด็จเหาะกลับไปวัดป่าเชตวันเลยถิ่เนเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรม เ, เป็นกําลังของพระพุทธศาสนาเป็นกําลังองค์หนึ่งที่ประกาศพระศาสนาแต่ก่อนมีแต่ปริยัติแต่บัดนี้ท่านได้ปฏิบัติได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วบริบูรณ์กลับไปคราวนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าโพธิลัตเหมือนแตกน่ก่อนเป็นว่าเป็นผู้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 ของการดูแลรักษาน้ำเราก็ต้องปกป้องเอย อ, อย่าทำน้า เ, เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าคุณไม่ต้องการเธอไม่ต้องการก็่ามายุ่งไปหาที่อื่นไปกินที่อื่นได้เพราะอิ่มแล้วนะจะมายุ่งทำไมอันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเหมือนน้าที่ใสสะอาดผู้ที่เห็นคุณค่าเข้ามาศึกษา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 ในรับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะปกป้องเชิดชูบูชาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่โลกทุกวันนี้อย่างที่เรามองมองเห็นในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรต่อมิอะไรยุ่งเหยงิงวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่รู้เรื่อง ไปชุมกันเรื่องอะไรเรื่องปองรองเรื่องอะไรในยุคสมัยนี้เนี่ยฟังฟังดูแล้วต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันอผมหงอกผมขาวฟันหลุดอายุห0สิบเจ็ดสิบปดสิปีก็น่าจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมเป็นวินยัยอันไหนเป็นกฎหมาย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 จะนั่งภราว่าน้าวั น, วนละกี่ชั่วโมงอันนั้นก็คือให้แข็งแข็งกระด้างเอาไว้แข็งเยาหวันไหวอันนั้นถูกต้องแต่พอแข็งด่าคนนั้นบ่ด่าคนนี้ป้ามาดคนนั้นคนนี้ดูถูกเกียดติยามคนนี้มองเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาวิจารณ์ เ, เรื่องทิฏฐิอย่างนี้ใช่ไม่ได้นนแต่บอกแข็งก็ให้แข็งกับศีลกับธรรม แข็งกับความถูกต้องแข็งในหลักธรรมพินัยใครมาทําผิดทำพินัยไม่ได้นะอมาเยเี่ยมเยี่ยมทำลายทำไม่ได้คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามไม่ได้นะแข็งอันนี้ถูกต้องเออถ้าว่าอ่อนปลูกเปียกใครจะทําอะไรก็ทําอันนั้นไปว่าออ่อนก็อ่อนไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแข็งก็ให้ให้ ม, ใหมีให้มีหลักเหตุผลอ่อนก็ให้มีหลักเหตุผลเออ สรุปแล้วก็คือให้เป็นธรรมจิตใจให้เป็นธรรมถ้าจิตใจไม่เป็นธรรมจิตใจมีตะกีเละมีตะเดือดร้อนวุ่นวายนั้นพวกเราทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่เนี่ยเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาในการแนะนำสั่งสอนขนาดนี้น้อยอย่างสอนพระธิมหาเทระได้พระธิมหาเทระก็ต้องยายอมรับเหตุผล บางสิ่งบางอย่างเนน้อยก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าอาจารย์เข้าป่านะอาจารย์ลงน้ำนะแต่ในอาจารย์แต่ในใจของเนนน้อยรู้ว่าจะสอนอาจารย์อย่างไรเพราะว่าเนื่อบอกแล้วอาจารย์วยไม่ไปหรอกไม่เข้าไปเข้าไปทาไมไม่มีเหตุมีผลหนามอีกต่างหากไม่มีรองเท้าอีกต่างหากเนนเไปอย่างนี้ไม่ไปหรอกไม่เรียนไม่ศึกษา พูดเลยไม่มีเหตุมีผลอย่างนี้เนนน้อยก็จะโอ้ถ้าเราพูดธรรมะเข้าไปคงยังไม่เชื่อเราจะไปพูดทําไม พ, พูดให้คนไม่เชื่อไม่มีศรัทธานยไม่เกิดประโยชน์เนนน้อยก็บอกพระอาจารย์ไปกลับไปจอะแปลว่าสอนไม่ได้ฮะอย่างกะทรงลักษณะอย่างนี้เพราะพระอรหันเน่นน้อยถึงจะเป็นเนนน้อยกว่าจริงแต่เป็นพระอรหันทันเฉลียวฉลาดมาก